เห็นความไม่เที่ยงแล้วพวกที่เขาถือว่าร่างกายไม่เที่ยงเขาก็พูดอย่างสมมุติเท่านั้นพวกที่ถือว่าอาตมันมีอัตมันไม่ไม่เกิดดับเนี่ยนะเป็นอัตตาถึงเขาจะยอมเล่าร่างกายไม่เที่ยงก็พูดอย่างในแค่สมมุติเท่านั้นและเพราะความเข้าเชื่อว่าอัตตามีอัตตาอยู่ในร่างใดก็พลอยยึดไปด้วยเหมือนกับคนเห็นก็ตัวยึดตัวแล้วก็ยึดอะไรที่เป็นของตัวไปด้วยยึดในฐานะเป็นของตัว ว่าผมเป็นของเราคือรูปประคันเป็นของเราเราคือนามประคันนามตนอยู่ในรูปนี่พวกนี้อธิบายว่าตนอยู่ในรูปรูปเป็นของตนเพราะถ้าตนมีก็ยึดของตนเหนียวแน่นโดยนี้เป็นธรรมดาใช่ไหมฮะมีใครบ้างที่ว่าตนเร า, าเที่ยงและเราไปอยู่ที่ไหนเกี่ยวข้องอะไรและอนัตตาสัญญาก็ปรากฏแต่ของภายนอกแล้วก็อัจตัดสัญญาเพิ่มแต่กับตัวเองมันเป็นของกระทบกันนะ กระทบกันเหมือนกับว่าเราพระไปดูซากศพดูแล้วว่านี่เกิดแก่เจตตายแล้วก็โน้มก็มาหาตัวด้วยใช่ไห้และคนไหนที่มันมีความรู้สึกต่อตัวเองแล้วมันก็ไม่อยากดูถึงบางคนดูได้โดยความเคยชินก็ไม่รู้สึกเหมือนอย่างสับปะเลอที่อยู่กบับศพใช่ไหมละ่ะไม่งั้นไม่กล้าลวงเอาสตังในปากศพไปใช่หรอ มันก็อยู่ได้จากเงินเดือนว่าค่านู่นการนี้มันก็ค่าเงินที่ศพให้การชิงให้ไม่ใหไ้ไม่รู้ไม่รู้เอาแล้วกันแหะก็อย่างเนี้ยมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเราไปเนี่ยเราไปมองแล้วก็ย้อนกลับมาหรือถ้ามีความรู้สึกกับตัวเองก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วไปเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่เกิดอ่าอนาตตาสัญญาอานิจจสัญญาดุกสสัญญาแรงยิ่งขึ้นนี่แค่ขั้นคิดถ้าในขั้นเห็นขั้นปฏิบัติอย่านี้ ก็ยิ่งลึกซึ้งมากยิ่งลึกซึ้งมากเชื่นว่าเราคุ้นกับไอความเกิดดับในตัวเราเนี่ยเราเกิดไปอยู่หน้าห้องกรรมฐ า, านเห็นคนเดินผ่านเนี่ยเราก็อย่างที่ผมแอบคิดอยู่เรื่อยๆนะเออเนี่ยเขาก็เกิดดับเหมือนกันทีออ่ทาเขาทําไมไม่รู้นะเขาเขาจะไปไหนนะเขาทำไมเขาเขาจะเกิดความรู้สึกอะไรอยู่ถ้าเขารู้เนี่ยเขาไม่เกิดความรู้สึกอย่างนั้นเลยอย่างว่า คนบางคนมันไปตบหน้าคนอื่นแนี้ไปด่าคนอื่นแนี้แล้วเราเราเป็นคนที่สามไปกำหนดอนิจจาสัญญาอนัตตาสัญญาปรากฏนี่นะ<ม>บอกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเกิดดับถ้าเขารู้เนี่ยเ้าตบไม่ลงใช่ไหมไอ้คนตูงตบก็โกรธไม่ลงให้เราก็ไปแอ บ, บคิดนี่ไม่ได้ตั้งใจแลวเราก็คิดมองแล้วก็เอาความรู้สึกในธรรมะไปใส่ ไอ้เขาเวลาเขามองเราเ้าเอาความรู้สึกเข้าไปใส่อเดี๋ยวแล้วเกิดไปเดินโยงกลมไปเขาหันมาตบเราเอีกคนหนึ่งหรือไปพูดเรื่องอย่างนี้เขาฟังกําลังโมโ oh หอยู่ก็เลยถือโอกาสตบเลยแล้วห้ามโกรธด้วยนะพรากว่าอนัตตาตบตีอนัตตาเลยก็ไม่รู้จะเถียงก็ยังไงอะเรามาดูเรื่องทิฏฐิสามระดับนี่ที่จริงอธิบายเป็นหลักใหญ่ๆแล้วมาดูเป็นเชิงตัวอย่างกันนิดนึงว่า อทิฐิสามระดับเนี่ยมันทั้งสัมมาทิฐิและมิจฉาทิฐิที่วางไว้เป็นประเด็นที่สี่ก่อนนะแต่ว่าในลำดับหลังจากนั้นนายยกคู่กันเป็นหลักฐานให้ดูบ้างแล้วก็อาจจะยกในบา ง, างบางส่วนบ้างคือจะพะส่วนผิดหรือส่วนถูกเท่านั้นบางมิจฉาทิฐิอทิษถิชั้นต้น มิจฉาทิฏฐิได้แก่นย้ตามิจฉาทิฏฐิทิฏฐิวิบัติสิที่เรารร้รู้อยู่สัมมาทิฏฐิชั้นต้นซึ่งถือว่าเป็นเครื่องคุ้มครองบุคคลในสังสงสารนี้ได้แก่ทิฏฐูชุกกรรมสามกรรมมศกตาสัมมาทิฏฐิสิธิความจริงทรงแสดงโดยปริยาอย่างอื่นอีกมากแต่ว่ายกมาเฉพาะที่คุณคุ้นหูธรรมสกตาสัมมาทิฏฐิแล้วว่าความเห็นชอบ เกี่ยวด้วยความเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเชื่อเรื่องกรรมนะความจริงเมื่อเชื่อเรื่องกรรมมันก็ไปคาบเกี่ยวว่าเรื่องอื่นเรื่องตายเรื่องเกิดเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแต่ยกเรื่องความเชื่อกรรมเป็นประทัดก็ดูแล้วก็เหมาะสมเพราะว่าบางคนอาจจะเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดแต่ว่าไอแนวคิดเรื่องกรรมไม่เคยมีใช่ไหมฮะถามพวกเราบางคนก็ได้ก็หลงคนหลังก็เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดแต่ว่าไอความใส่ใจเชื่อเรื่องกรรมไม่มีไม่คิดแง่นะ วังพวกก็เชื่อเห็นเรื่องกรรมด้วยก็มีขนาดไม่ได้นับถึงศาสนาพุทธด้วยก็ยังอธิบายไปเรื่องเรื่องกงเรื่องกรรมอะไรไปงั้นเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยอธิบายต้องกรรมอย่างความหมายจริงๆนะไม่ใช่กรรมคือพฤติกรรมกรรมอย่างความหมายจริงๆความหมายบราณๆนี่แหละก็คือความหมายจริงๆไม่ใช่อธิบายอย่างกรรมแบบทันสมัย มันกลายเป็นเรื่องของความพยายามคนทํากรรมเนี่ยมันก็มีค่าทางความพยายามกับค่าทางกรรมคนทําความพยายามก็มีค่าทางกรรมด้วยเห็นคนขยันทํามหากินเนี่ยมันก็มีค่าที่พูดในแง่อุตทาสมัมมาาคือสแสดงค่าทางพยายามแต่คนทำหมากินแล้วมันก็ได้บุญได้บาปด้วยใช่ไหมละ่ะพราะทำหมากินอะไรเป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีแล้วก็ เป็นบาปออกหน้าเป็นบุญแทรกเป็นบาเป็นบุญออกหน้าเป็นบาปแทรกก็มีมีหลายอย่างต่างกันงั้นโจรปล้นก็ปล้นอย่างมีบุญแทกก็นเวลาไปพูดธรรมะให้โจรฟังก็ต้องพูดแบบนี้ถ้าทำให้เขาเลิกเป็นโจรไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ก็มันก็เป็นอาชีพบุญแต่อาจจะเป็นบาปแทรกก็ได้ใช่ไหมล่ะสอนเรื่องอะไรยังไง ดนในตำราเขาว่าละเอียดดีเหลือเกินนะในพูดในคำภี์ทางพูดเราเนี่ยผมว่าถึงอทิฏฐิชั้นกลางอหางการนมังการสักกายะทิฏฐิเนี่ยเป็นความเห็นผิดชั้นชั้นกลางแล้วก็ความเห็นถูกชั้นกลางก็คือวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิฌานที่เป็นบาทของวิปัสสนาฮะก็ถือเป็นสัมมาทิฏฐิอันหนึ่งกันแล้วก็ทิฐิชั้นสูงก็คือมิฉาทิฏฐิได้แก่ที่จะทำมรรพานวาทะในทิฐิ อธิมาณะทิฏฐิคือมานะที่สําเร็จด้วยอำนาจขทิฏฐิไปเล่นกับเบื้องสูงอ่าคือมันสูงต่ําไปตามอารมณ์อย่างไว้คิดถึงเรนนิพพานก็นถือว่าสูงโดยอารม์อ่าแล้วก็ไออย่างคนถือตัวเนี่ยฮะมันก็ถือตัวสูงสูงก็มีต่ำก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดในภายแล้วก็อาธิมาทิฏฐิคือนวะโลกรตละธรรมที่เป็นความเห็นถูกท่านสูงซึ่ง การจะได้มาก็มีสองขั้นนะคือถ้าเป็นความเห็นผิดได้มาด้วยการตรึกด้วยการเรียนอย่างผิดแล้วก็ด้วยการปฏิบัติอย่างถูกแต่ว่าความตรึกผิดเข้าไปครอบงําอย่างคนได้ฌานเนี้ยข้อมูลนั้นได้มาด้วยกุศลเป็นกุศลแต่เมื่อเอาไปตรึกแล้วไปตึกก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสตตะไปเลย แต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยได้ปริยัตขั้นปริยัตที่ถูกแล้วก็ปฏิบัติที่ถูกต้องก็ได้สัมมาทิฏฐิบางอย่างเนี่ยอ่อย่างเราเรียนเรื่องมรรคเรื่องผลนี่ก็ถือขั้นปริยัติทิฏฐิชั้นต่ำเราก็ได้ความชัดเจนมากหน่อยชั้นสูงก็ได้ความชัดเจนมากไม่มากอันนี้ผ่านฟังมากี่กี่กี่ปีแล้วชัดเข้ากระตายเรื่องเกิดเรื่องเวียนกรรมนะ เรื่องกรรมเรื่องตายเกิดชัดกว่าถูกใช่ไหมฮะอนัตตานามรูปเป็นคนละส่วนกันอันนี้จังทุกคังอนัตตาเรียนมาหลายปีแล้วชัดเท่าตายแล้วเกิดไหมไม่ตายแล้วเกิดชัดกว่าเปลียนกรรมชัดกว่าอนัตตาขั้นกลางไม่เคยชัดอันนี้ก็ยิงสูงก็ยิ่งมาเคยแต่เวลาจะทําให้คนเชื่อเนี่ยบางทีไอ้สูงๆเนี่ยทำหลอกคนได้ง่ายกว่าอย่างยิพทานเนี่ย น, น, นะ บอกแสดงอย่างพูดถึงในสรรมัมพิธการอ้างนะโมทบบอกเนี่ยขบเจ้าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดามียานทัศนะอย่างรู้ตลอดเวลานี่พูดถึงพวกนิครนคุยแล้วก็คุยเรื่องสวรรค์นิพพานเรื่องอะไรต่ออะไรคนทั่วไปไม่ชัดข้อมูลไม่มีข้อมูลยิ่หาได้ยากไม่มีเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถจะคุยได้เต็มที่นะนะแต่เรื่องใกล้ๆตัวเนี่ยเพราะเราเวทีวิสูจนึงต้องเอาเรื่องใกล้ๆตัวมาวิสูต ร, ร คุณอย่ามาคุยเลยว่าออย่างโู้อย่างงี้ค่อยๆรัดเข้ามาว่าคุณอย่าคุยว่าอีกกี่สิบปีว่าจะไปถึงเวลาคุณตายก่อนหรือผมตายก่อนไม่ได้ทันตามพิธุษขยับเข้ามาให้มันหรือเกณฑ์เจ็ดวันได้ไหมถ้าใกล้ๆคุณยังไม่รู้คุณอย่าม่าอวดรู้เรื่องไกลๆได้ไงหรือเอาเอาอะไรสักอย่างพออบมาครอบให้ดูผมให้คุณดูในนั้นเมียถ้าคุณดูไม่ได้เนี่ยคุณอย่ามาคุยเลยว่าที่บ้านผมมันมีอภิมงคลมีอะไรต่อะไร พูดผีวิชาสุดท็อปไหนไอของยาวๆพี่กูยังไม่เห็นเลยไอเรื่องใกล้ตัวนี่มันคล้ายๆกันนะเวลาที่จะวิสูจน์ก็ต้องใช้วิธีย่างเงี้ยทุกคนอะเวลาผมควบค่าสมาธิคงกับพวกๆอย่างงี้ถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่เดีกก็มีแล้วก็ไปละก็เนี่ยเราก็คุยแล้วก็วิสูจน์อย่างเงี้ยของพว ก, กถึงกับบน่นของแหมเราเนี่ย ทิฏฐิแรงไม่เชื่อไม่เกี่ยวกับทิฏฐินะมันก็วิสูตรอย่างง่ายๆเราไม่ได้ท้าทายถ้าดูสิ่งเรานี้ยืนยันได้เราก็อุ่นใจอุ่นใจได้แม้เรื่องทฤษฎีเรื่องอะไรเหมือนกันมันก็ไม่ไม่อยากบางทีเราไปทําการบ้านมี่แล้วไปถามรู้จริงไม่จริงเราก็ได้แหละใช่ไ้มล่ะถ้าตรงนี้รู้แสดงว่าเรื่องอื่นรู้ได้เรื่องอื่นพอจะไว้วางใจได้ถ้าตรงนี้ยังไม่เคยไม่รู้ไม่เคยผ่านตาไม่เคยอ่านมา ก็เราก็ไม่ค่อยกล้าวไว้ใจว่าจะพึ่งพากันได้แค่ไหนในทางหลักวิชาอ่าผมจะจะแสดงถึงเรื่องของอ่าไอคต ท, ที่คัดมาเป็นเรื่องๆเนี่ยก็เพียงแต่จะให้ดูเป็นหลักฐานแต่ไม่อธิบายไม่ม่งอธิบายถือเป็นเรื่องประกอบอย่างประเด็นที่ห้านทิศที่สิบอันนี้ผ่านนะ แล้วคุณเคยกันมาผมอธิบายอีกขรั้งก็ต้องเบื่อแน่นอนว่าพุทธเจ้าตารัสไว้อย่างไงตรัสไว้หลายที่นี่ผมคัดมาเฉพาะบางที่แต่เองแล้วก็อธิิอฐานทิฏฐิวิบัติสิเนี่ยมีสิบอย่างแล้วก็ตรัสถึงผลว่าตายแล้วจะไปไหนบุคคลนั้นไม่ละทิฏฐินั่นะแล้วก็ประเด็นที่หกสัมมาทิฏฐิ 3. ที่ตรงกันข้ามกันความเห็นชอบความเชื่อมันก็มีความชัดต่างกันนะคนที่เชื่อชาตินี้ชาตินาและเหตุผลอะไรไม่มากบางพวกก็มีเหตุผลมากแล้วก็ที่มาของความเชื่อก็ต่างกันบางคนก็เชื่ออย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยหลายคนนะอย่างเช่นสีหะเสนนาบดีก็กล่าวว่าที่พระผู้มีพรสะสงแสดงอันนี้สงของทาน หประการบางเจ็ดประการแล้วมันพี่อยู่ข้อหนึ่งท่านบอกว่าสําหรับข้อว่าตายแล้วไปสวรรค์เนี่ยข้าพระองค์ไม่ได้เห็นเองก็เป็นความเชื่อที่ฟังและเชื่อเพราะเชื่อพระผู้มีพระภาคด้วยอาศัยความเห็นจริงในข้ออื่นว่าข้ออื่นเนี่ยจริงประเด็นข้อนี้ก็พอไว้วางใจได้นะทิ้งไว้ถือเป็นความเชื่อที่มีข้อมูลน้อยไม่ได้ผ่านประสบการณ์ อย่างนี้ก็น้ำหนักอันหนึ่งแต่ว่าบางคนเาก็เชื่อในลักษณะที่ก็มีข้อมูลที่ชัดเจนนั้นเราถึงอาจจะว่ามีความเชื่อต่างกันแต่ว่าน้าหนักไม่เท่ากันก็เคยสกิดสกิดพวกที่เป็นนักปฏิบัตินี่นี่เป็นข้อความที่ผมคุยกับพวกนี้เขาไปเพราะานั่งไปในรถโต้แล้วก็คุยเรื่องบางเรื่องนี่ยก็คุยเรื่องอื่นที่ในรถนะเขาไม่เข้าใจ ผมก็บอกว่าเนี่ยเราอาจจะมองแล้วเหมือนเท่ากันอย่างว่าคนอที่สอนธรรมะเนี่ยเราไม่รู้เราก็มองรู้เท่าๆกันแหละใช่มหมล่ะสันใดกระฉันั้นแม้แต่คนปฏิบัติอย่างเรานั่งในรถเนี่ยแล้วเมื่าชาวบ้านก็เห็นพวกนี้ปฏิบัติเขาเขามองก็เท่าเทกันแหละถูกไหม แ, แต่เราปฏิบัติเนี่ยเรามองหน้ากันแล้วเรารู้เลยอะว่าใครแค่ไหนโดยไม่ต้องพูด รู้เลยว่าไม่เท่ากันคนปฏิบัติทั้งห้องครูบาอาจารย์จึงรู้ว่าไม่เท่ากันเอาแค่ว่าผลสำเร็จไม่เท่ากันถ้าพระพุธทธเจ้าท่านก็มองไปถึงเบื้องลึกเบื้องะอะไรอะไ ร, ะไรย้อนไปว่าไม่เท่ากันมีปุกาปุกคลันยูตาลึกซึ่งเนี่ยคือเรื่องเดียวกันเนี่ยก็ไม่เท่ากัน ทยังไงถึงจะเท่าไอ้ไอเรื่องอื่นๆเนี่ยมันร้อยแต่ตอนประการมันไม่เท่ากันได้ไม่แปลกแต่ถ้าเป็นเรื่องอคุณค่ามาตรฐานของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเท่ากันเท่ากันในเงื่อนไขที่จะต้องเท่ากันในส่วนที่จะต้องเท่ากันไม่เท่าไม่ได้ถ้าสมมุติเรามีใครว่าโอ้โไม่เป็นไรหรอกปฏิบัติไปเถอะมันก็เหมือนกันไปนิพพานเหมือนกันไ อ, อย้ยางงี้พูดว่า ยังไงก็ได้ต่างกันยังไงก็ได้โดยไม่มีเงื่อนไขเลยก็พูดปลอบใจได้พูดเอาเอาเรียกปณีปะณอมโดยไม่ยืนอยู่บนหลักความจริงก็ได้แต่ไม่ถูกความจริงนัมระพุธเจ้าท่านจึงเปรียบเทียบไว้ตอนท้ายนิดนึงว่าธรรมาที่ถี่เนี่ยเหมือนแก้วที่โยนขึ้นไปตกมามันก็ไม่ได้พูดระแตกนะลงมาก็กลับมาตั้งอยู่โดยที่ใดๆก็ต้องกลับมาตั้งอยู่ได้ดี แก้วันนี้เปรียบเทียบอย่างนั้นว่าอันนี้ที่เรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม่รงนี้จะเรียกว่าตกนะตกอะไรเรียกว่าตกดินไม่แตกนะตกดินไม่แตกอะนี่ก็เป็นเป็นพิธีชั้นชั้นต่ําทั้งถูกทั้งผิดเนะี่ยยกตัวอย่างมาให้ฟังตอเนี้ไม่อธิบายอะไรมาแต่ที่เรื่องเรื่องที่อะจะอธิบายเนี่ยมันเป็นเรื่อง เรื่องอาหารการ ม, มังการและสักกายะที่ถียี่สิบนั้นไม่ขออธิบายครับขอให้เป็นความรู้ในทางหลักฐานจุดมันจุดเล็กๆแค่นั้นเองความจริงมีเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าที่เป็นเรื่องจะต้องอธิบายและเป็นเรื่องแปลกหูของท่านและจะเป็นประโยชน์ต่อดุลพินิจในการอ่านพระไตรปิฎกหรือฟังธรรมะเรื่องหลักๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ต่อไปเนี่ยก็คือประเด็นที่สิบที่เป็นประเด็นเองเรื่องอาทิมาน ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสแสดงด้วยอำนาจของมานะกิเลสแต่ว่ามานะกิเลสเนี่ยอาศัยทิฏฐิให้โอกาสไว้ทำร่องรอยไว้ให้ไปมานะคือไอ้มานะคนเราเนี่ยมันเกิดได้ทั้งสิ่งสูงสิ่งต่ำสิ่งดีสิ่งชั่วเลยจะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งก่อนมานะน่ามีเยอะผมเชื่อ ว, ว่า ที่นั่งอยู่ที่นี่บางทีจะไม่เคยเห็นมานะที่แสดงอย่างนี้ผมก็ไม่เคยเห็นในตำราไหนที่ที่เราอ่านๆเรารู้กันนะอันนี้ขึ้นจากาพระไตรปิฎกหลักฐานกำกับไว้ข้างหลังมานะกิเลสขว้างใหญ่ไพศาลมากไอจุดประสงค์ที่ต้องการจะบอกเนี่ยคือข้อหามานะที่หามานะเจตสิกเราก็รู้นี่ ว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกถือตัวถือ ต, ตนความรู้สึกลำพองคือปลาลบอารมณ์ที่ตัวเองยินดีพอใจแล้วมีความลำพองในเชิงเหมือนกับที่เปลี่ยนเหมือนกับลม เ, เหมือนกระทงที่ชักสู่ยอดเสาหรือเหมือนกับยอดออกคนมีมานะเนี่ยจะมีความรู้สึกลำพองใจพองฮนะไอลบมันก็ มันก็หูผึ่งไอ้นี่มันผึ่งจะเรียกว่าอะไรผึ่งก็ไม่รู้มันลำบองมันพริ้วไม่ใช่แค่ผึ่งพลิ้วเลยถ้าเป็นเียบมันหูหูผึ่งนี่กัระดับความโลภถ้าหูแบบไอหูหูช่างตวัดพลิ้วอย่างนี้ก็คล้ายๆมานะความรู้สึกเป็นทางยินดีแต่มีอาการต่างกันตรงนี้มานะคือความถือตัวเก้าที่เราคุ้นเคย ถืออ่าถือตามจริงก็ถือไม่ตรงกับความจริงตัวเองต่ํากว่ า, ต, ว ต, า, วาวตัวเองต่ํากว่าถือว่าตัวเองต่ํากว่าอย่างนี้ตามจริงตัวเองสูงกว่าถือว่าสูงกว่าปลาลบไอ้ข้อเท็จจริงแล้วเกิดมาณนะโดยเปรียบเทียบตัวกับคนอื่นตัวเองเสมอกับเขาแล้วก็มีมานะด้วยความรู้สึกก็เสมอกับเขาคือพูดไงไ่ายไว้เวลาเราอวดเนี่ยเราอวดทั้งคนที่เสมอเราอวดทั้งคนที่สูงกว่าเรา ปวดทั้งคนที่ต่ำกว่าเราด้วยความรู้สึกในทางถูกแต่ว่ามันอดอวดไม่ได้แล้วก็ไอ้ผิดๆก็มีมันไม่เป็นไปตามความจริงอย่างนั้นไอ้นี่ผมไม่ต้องยะละในนะเราเราคุ้นเคยกันมามากฟังจนเบื่อแล้วก็ได้ต่อไปอัติมานะดูหมิ่นเขาคําว่าดูหมิ่นเขาเนี่ยหมายถึงดูหมิ่นคนอื่น เหยียดหยามคนอื่นด้วยข้อปราลบทางชาติสกุลบ้างการศึกษาบ้างอะไรบ้างเหยียดหยามครับมีเป็นลักษณะที่รุนแรงมานะที่ออกมาลักษณะรุนแรงอันตรพาณมานะนี่อันตรพาณแล้วก็น า, นาติมานะข้อสามความเย่อหยิ่งอันนี้ท่านอธิบายไว้ชัดว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่า เท่าเท่ากันด้วยครอบปลาลบที่เท่ากันไม่มีอะไรครบกันได้อะไรกันได้กินข้าวร่วมโต๊ะกันได้ต่อมาเนี่ยตัวเองก็เกิดมาได้ดีได้ดีได้ดีจริงไม่ดีจริงนั่นอีกเรื่องไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วก็เกิดความหญิงที่เราเรียกว่าลืมตัวลืมตัวพอไปเป็นดารามีชื่อพอไปเป็นนักกีฬามีชื่ออะไรเงี้ยนะฮะ พอมาอัาทิ้งกลิ่นคลนสาวายเข้ามาอยู่กรุงเทพก็กลับไปชักลืมตัวพอแม่มาหากลืมตัวก็มีตัวอย่างมากมายนะไอเนียคือไอตัวนี้ครับมานะตัวนี้และจะแสดงออกด้วยความโกรธความชั่วร้ายเป็นอีกเรื่องหนึ่งกิเลสที่เกี่ยวพันเข้ามาแต่เกิดจากความรู้สึกลืมตัวใจมันเกิดอาการพรองเหิมขึ้นนีโอมานะคือดูหมิ่นตัวเอง เห้ดูหมิ่นตัวเองนี่ไม่ดีเหรอดูหมิ่นตัวเองว่าตรงนี้นะเขาเรียกว่าคนที่เกิดความรู้สึกว่าตัวมีปมด้อยบางทีก็ไม่จริงจริงไม่จริงไม่ได้คิดหรอกแต่เป็นคนที่มีความรู้สึกดูหมิ่นตัวเองถึงไม่จะไปคาดตัวตรงตัวตายอะไรก็มีความจริงถ้าเราพูดถึงมานะเจตสิกเมื่อไหร่นี่จะอยากพูดเป็นวิเศษสักหน่อ ย, อยนี้นะ เอ๊ะทาไมมันไม่ดีแล้วครับคนดูหมิ่นตัวคนถ่มตัวคนดูหมิ่นตัวเหมือนกันไหมความรู้สึกเหมือนไม่เหมือนคนมีโศลจระเขสงบสงเง่ยมก็คนดูถูกตัวเองคนละเรื่องกันเลยความรู้สึกไม่เหมือนกันคนถ่มตัวเนี่ยความรู้สึกเยา ะ, ะเม้ยละมัเบิกบานนะน่ารักแต่คนที่ดูถูกตัวเองเนี่ยคนอื่นเป็นห่วงแล้วแต่ความสัมพันธ์คนอื่นหมันไส้บงังลําคาญบ้างอะไรบ้างดูถูก ขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็อธิมานะนี่แห<ม>ละครับคือสําคัญว่าได้บรรลุมานะนี่นะพูดง่ายๆว่าเป็นมานะในวัดไม่ใช่มานะในวิมานะในสํานักไม่ใช่มานะในโรงหนังโรงละครในตลาดสดในซูเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้า นี่แหละครับไอเรานี่จะเสียท่าไอเดี๋ยวนี้แหละอย่านึกว่าเราจะแม้เป็นคนนอกออบ น, อน้องสองตัวนึกบอกว่าคนเราเนี่ยกิเลสแต่ละตัวเนี่ยมันปลาลบอารมณ์ตรงไหนมันจะค่อยๆพัฒนาตัวของมันละเอียดจนทั้งเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันถ้าไม่ได้เรียนรู้อย่างนี้แล้ก่อนเนี่ยเราไม่มีบ่อแสเลยไม่มีความจะเฉลียวใจเลยเพราะฉะนั้นบอกว่าคนถ้าได้อ่านฟังมากนี่ถึงจะเผลอพลังสะกิดง่าย สกิดง่ายอ้างหาไอ้ข้อแท้จริงที่ได้ยินได้ฟังมาได้อ่านมาสกิดง่ายถ้าคนไม่ได้ฟังเนี่ยสกิดยากด้วยถ้าจะถึงว่ามีใครมาสกิดบอกเราแล้วก็ไอ้ความคิดที่จะถูกคิดได้ก็ยากเพราะมันไม่มีอะไรเป็นทุนรองใจอยู่อาทิมานะอาทิเนี่ยจริงเป็นเรื่องพิเศษสูงยิ่งกว่าคนอื่นเขมานะ้าพิเศษกว่าส่วนอื่นหมดเกี่ยวมันเนื่องด้วยความเห็นผิดชั้นสูง มาณที่เกิดเนื่องกับความเม็นบิดชั้นสูงถ้ผมถามว่าท่านไปตามศูนย์การค้าเนี่ยอาจจะเจอคนเตะไปงานนะครับอาจจะมีคนเตะใส่นู่นใส่นี่มาองงมาอวดอะไรกันนะฮะแล้วแต่จะเตะด้วยอะไรเรียกว่าเตะอาสาจิโกแต่มีใครบ้างแม้อวดชั้นอรหันต์แล้วนะฮะเตะเดินสำรวงเข้ามา เขาพูดด้วยก็ไม่กล้าหวัวเราะไยกลัวจะเสียหันหน้าตาเต้เพื่อจะอวดก็มีไหมฮะไม่มีไม่มีในในในท้องตลาดนะยังมาอวดกันอย่างนี้ไหมมาอวดไม่ได้รู้ว่าอวดแล้วเขาคนเขาไม่รับไ ม, ไ, มไม่ให้รไม่ให้คะแนนต้องไปอวดในที่ที่มีคะแนนเชียนมาอวดพระพุทธเจ้าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมีตัวอย่างจริงๆนี่คือสําคัญว่าได้บรรลุ เราก็เลยมาคิดเราแวงตัวเองแล้วละวะเวลานี้นะ่ะมีใครบอกเราเราเคยบอกใครหรือไม่มีใครบอกเราเราบอกเเองว่าเราเนี่ยบรรุยานนั้นยานนี้แล้วแล้วก็เคยไปเที่ยวผูกกับใครต่อใครบางสื่อไหมเราแน่ใจหรือไม่ว่ามันเป็นเหยือออีเลดและถ้ามีไอวีบทวิถีออไงคือถ้ามีใครเขาเกิดบอกโอยไม่จริงหรอกมั้ง เพราะว่านี่ผมได้ยินมาสําหรับตำราว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราเคยรู้สึกคืดฮัดไหมแต่คืดฮัดแสดงว่าเรามีเชื้อน่ะนะมีเชือเ้อแหละว่านี่นสงสัยว่าักจะไว้วางอะไรใจไว้วางใจไม่เคยจะได้นะเนี่ย<ม>เข้าขายาที่ ม, นะมันนะเพราะนั้นผมจะพูดปัดไอ้สองข้อหลังให้ผ่านไปก่อนแล้วจะกลับอธิบายตัวนี้พร้อมตัวอย่างอัศมิมานะสําคัญว่าเป็นตน ตรงนี้แหละครับที่ถ้าทิฏฐิปลารบมันจะปลารบอย่างเห็นผิดมันไม่มีอาการพองแต่ว่าถ้ามานะเข้ามาอาศัยปั๊บเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าโยคียตนหนึ่งไปปฏิบัติฌานได้ในป่าเห็นโอ้โอตน้นเราสีเขียวด้วยกระสินสีเขียวได้ฌานแล้วก็นึกว่านี่คือตนแล้วเี่ยไอตอนเข้าฌานไม่มีทิฏฐินะเป็นกุศลจิตพอถอยออกจากฌานแล้วไปปฏจเวกโอ้โหนี่ต้นของเรา ขั้นคิดอย่างนี้ใจแฟดๆเป็นทิฏฐิกินดีว่าเราได้เห็นแล้วก็ไปนึกว่าโอ้เพื่อนเรามันไม่ได้มาออกบวชเข้าป่าเหมือนอย่างเรานะไปอธิบายตนเป็นอย่างอื่นมันเข้าใจผิดบุญมันน้อยกว่าเราวาสนาบารมีมันน้อยกว่าเราแล้วเดี๋ยวเราออกไปจะต้อง อธิบายแถลงให้ชัดเจนให้เชื่อเรให้ได้ก็พอไปเจอหน้าโต้ตอบกันการพูดแก่งแย่งก็เกิดขึ้นถ้าตัวเองโต้เถียงถ้าไม่ได้ใจฟูโทสะเกิดถ้าตัวเองโต้เถียงชนะก็ได้ใจก็พองโตนะฮะนี่ในในบรรยากาศพระไตวปิฎกก็เล่าแลยทำท่ายืนพึงทันทั้งหลายพึงดูพระสัมมาสัมพุทธเจาค อันนี้นะหาลูกไหมว่พระพุทธเจ้าทรงตอนเข้ามุมแนะตอนเข้ามุมเดี๋ยวมีบัตรหมัดสวนนึนกว่าพระพุทธเจ้าแย่พอไปทําท่าคุยเคืองนี้พระพุทธเจ้าสวนโครมออกมาเงี้ยเสร็จเลยนี่ก็คือสัจจการนีโครนอันนี้เป็นตัวอย่างในในในชั้นที่มันมีอยู่ในในใ น, ในพระไตรปิฎกนะเป็นพระสูตรใหญ่ทีเดียวเพราะฉะนั้นไอเนี้ยครับเมื่อเราปลาลบตน สมมติว่าเราเห็นว่านามมาทาเราเนี่ยเป็นตนจิตเป็นตนเขาก็จิตเขาเป็นตนของเขาเราก็รูปลาโลกโอเรานีนตนสูงกว่าตนของคนนี้ดูที่เนี่ยสัญญากระสู้เราไม่ได้คถาบาดเดียวฟังและจำไม่ได้เราเนี่ยฟังปุ๊บก็จำได้ปับไม่เคยลืมนะความสุขเราก็ประณีตกว่าเขาสังขารขันตัวนั้นตัวนี้เราก็ดีกว่เขา เป็นมานะนะเป็นมานะที่ปลารบตนเทียบกับคนอื่นเนี่ยครับเป็นเชื้อแถวของทิตติเรียกว่าอัศมิมานะอัศมิมานะกิเลสแต่และตัวเนี่ยมันไปลูกทำอะไรวะไอ้กิเลสตัวอื่นมันโหมเข้ามามันเข้ามาอาศัยเหมือนเหาอ่ะเหาฉลามเลยหรือเหมือนอแรงเวลาไอ้สิงมันตัวเองไปล่ากวางล่าอะไรก็ล่าไม่ได้ เราดูหนังสารคดีนะยังเมื่อสองวันดูไอ้สิงโตมันไปไล่ฟัดกวางได้ตุกอีแรงเนี่ยครับมันรู้เลยประกฏดรอยตามสิงโตนี่เราจะมาพิจารณาว่าผมดูแล้วผมคิดในเชิงธรรมะว่าใครผิดศีลข้อไหนศีลข้อไหนใครดีกว่ากันเมื่อก่อนนึกนิยมแรง่าเจอตรงนี้แล้วราคาแรงตก มันจะสะกดรอยอาไรเนี่ยไปทางไหนพอมันพอสิงโตล่าเหยื่อได้ปั๊บเนี่ยสิงโตนะมันก็ห่วงว่ามันจะต้องไปเรียกพวกมากินมันก็พยายามลากไว้ซุกไม่พ้นสายตาแล้งถ้าแล้งมาียงตัวของตนก็จะยืนซุ่มรอให้มาพอมามากๆเนี่ยพวกหม า, ม า, มาจริงจงจอกไม่กล้าสามนาทีครับมาทั้งตัวควางทั้งตัวเหลือแต่กระดูก ไอ้คนฆ่าไม่ได้กินไอ้คนกินไม่ได้ฆ่าสิงโตฆ่านะ่ะผิดสินข้อหนึ่งอีแรงนะ่ะมันไม่กินสัตว์เป็นก็จริงสินข้อหนึ่งมันไม่ล่วงแต่ผิดสีนข้อสองขมโมยเขากินคิงเขากินต่อหน้าเลยเนี่ยไอ้ชะตาชีวิตมันก็ยังไม่เหมือนเนี่ยไอ้กิเลสบางตัวทําหน้าที่เหมือนอีแรงอีเลสบางตัวนั้นทําหน้าที่เหมือนกับสิงโตที่คอยล่า แล้ไอ้ที่เหลือมก็กินเศษกินเลยพี่ไอ้คนล่าไม่ได้กินแล้วครับไอ้ตัวอื่นเข้ามาลุมเลยเนี่ยหมายความว่ า, วาไอ้คนบางคนที่อบรมมานะกิเลสมาแรงเนี่ยความเห็นผิดอะไรนิดนึงแวบเข้ามาเนี่ยไอ้มาณะลุมเลยครับมันเอาไปลำพองอย่างงงอย่างนี้คล้ายๆว่าคนบางคนเนี่ยรู้ก็ยังไม่มากทั้งที่เป็นเรื่องรู้ผิดเนี่ยนะหรือรู้ถูกแต่มานะโหเยอะรู้นิดเดียวแล้วอวดมากคำนองเนี้ยรู้นิดเดียวแต่อวดมาก มีใช่ไหมรู้นิดเดียวแต่อวดมากรู้มากอวดนิดเดียวก็มีนะก็ก็แล้วแต่ไอ้คิเลตุกนอื่นอาจจะเข้ามาจับเยอะก็ได้ทีนี้ไอ้ที่แปลกตาก็คือผมอ่านทีแรกแล้วผมตีความไม่ออกมิชามานะอ่านทีแรกนึกว่ามันคือความถือตัวจําพวกที่ตัวเองเสมอเขาแล้วนึกว่าสูงกว่าเขาไม่ใช่ครับ อันนั้นไม่เรียกวิชามานะวิชามานะเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายในระดับศิลธรรมคืออวดสิ่งชั่วเป็นไปได้ไหมในนั้นพารนาชัดเลยอวดวิชาฐานะชั่วอวดศิละปะชั่วอวดการงานชั่ว เป็นต้นยังมีอย่างอื่นอีกนะทีนี้มาอ่านตอนนี้เราก็นึกไอ้เรื่องที่กําลังเป็นข่าวไอ้เรื่องหนุ่งน้อยห่มน้อยนุ่งมากห่มมากเนี่ยใช่ไหมเห็นกําลังลุมกันอยู่เวลานี้พวกหนุ่งน้อยห่มน้อยอะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็นึกเอ้ยน่าจะมีใครพูดตอนนี้เพิ่งมาพูดกันแล้วก็เมื่อคืนก็มีพวก ที่ทำงานเกีเ่ยวกับเขาเขาก็มาแถลงเหตุผลต่อสู้ตั้งทีวีเพราะบังเอิญผมได้ดูไม่ได้ดูตลอดหรอกดูแล้วก็เออแเราก็ฟังข้อมูลแต่ละฝ่ายทีนี้ไอ้เรื่องเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็นึกถึงเรื่องที่ผมอ่านมาเนี่ยว่ามันมีศิละปะเนี่ยท่านแบ่งมันเป็นศิละปะลามกถ้าใช้ขเขาแปลมาจากคำว่าอ่าสิบปะปาปัง แต่โบราณแปลวศิลปะลามกวิชาลามกการงานลามกคือเป็นบาปนั่นเองฮะอันนี้ผมแบบมาที่นี้ผมไม่ต้องการจะไปวิจารณ์นะนี่บังเอิญเรื่องมันมากระทบพอดีมันกำลังเป็นข่าวอันนี้ให้ผ่านไปเราจะนุ่งกันยังไงกับเรื่องเช่นคนสอนวิชาฆ่าสัตว์ถือว่าเป็นวิชาลามกปาปะวิชาวิชาปาปะถามว่า อาจารย์ที่สอนวิชาค่าเขาอวดเป็นไหมเอาง่ายๆอันนี้คือผู้เป็นเจ้าของวิชาผู้สอนแล้วก็ผู้เอาวิชานั้นไปใช้สายศิละปะก็มีศิละปะนี่ก็หมายถึงอย่างเช่นศิละปะการ ท, ทาธนูล่าสัตว์นะฮะทาหอก ใสสีใส่ลายตรงนั้นอย่างงี้เป็นศิละปะทําลูกระเบิดยังเป็นศิละปะเลยคใช่ไหมลูกระเบิดนี่ก็ทําอย่างสวยงามเลยทั้งๆ ท, ท, ที่จะไปฆ่าคนนะเป็นศิละปะแล้วก็การงานลามกหมายถึงอาชีพที่เกี่ยวกับบาปทั้งหลายเนี่ยท่านยกตัวอย่างไว้หลายอย่างพูดแค่นี้แล้วนึกวอาชีพที่มันเป็นบาป ที่มาประกอบเป็นอาชีพอย่างเช่นอาชีพล่าสัตว์ทําเป็นอาชีพเนะี่ยเรียกว่าเป็นการงานหลามกุกการงานที่เป็นบาปแต่ถามว่าสิ่งผิดเหล่านี้ในทางศีลธรรมเนี่ยคนอวดกันได้ไหมได้ไม่ได้อวดได้คนเข้าป่าแล้วก็ไปอวดฝีมือกันยิงยิงสัตว์ใครยิงได้มากก็รู้สึกได้หน้าได้ตาอวด แล้วก็อย่างคนที่ลงเบ็ดตกปลาเนี่ยไปกันเป็นหมู่เป็นคณะพอแห่หาปลาใครได้ปลาตัวใหญ่เนี่ยก็จะโห่ภูมิมใจมากนะคุยอวดเรียกพวกตลอดท้องคุ้งเลยมาดูแล้วผมก็เคยเจอมาแล้วว่าไอคนที่มาเห็นทีแรกเนี่ยพอเห็นไอคนนี้ตกปลาได้ปลาตัวใหญ่กว่ามากกว่ามันก็ดูถูกทันทีเลยว่า ก็มึงก็อย่างงี้แหละตั้งแตกูออกหาปามึงมามึงก็เพิ่งวันเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูตอนดึกๆ ก, กันแล้วกันกูจะล่าให้ได้มากกว่ามึงพอตกตอนดึกไอ้คนพูดมึงก็ล่าได้มากกว่าไอ้คนนั้นก็เลยแพ้ไปอวดได้แต่ตอนหัวคำ่ำอันนี้ที่ผมเห็นมาสมัยเด็กๆนะมันมันเป็นเรื่องอวดกันด้วยสิ่งผิดๆถือว่าเป็นมิจฉาหมานนะจึงว่าคนที่กิเลสหยาบ สิ่งที่เขาเอามาอวดเพื่อเป็นของหยาบคนที่มีกิลมีปูมรูปภูมิทำสูงสิ่งที่เขามาอวดกันมาประชันกันแข่งกันก็เป็นเรื่องสูงแต่ว่าไอสิ่งถูกอวดเนี่ยมันมีผิดมีถูกถูกไหมค่าทางศีลธรรมแต่กิเลสที่เป็นตัวอวดเนี่ยผิดทางไหนว่าพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าผิดไหม เราอวดว่าเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ผิดอีกคนหนึ่งอวดว่าเป็นลูกศิษย์พระชินนะนิครนนตบุตรนิครนผิดไหมก็ไม่ผิดจะผิดจ่ินิครนเขาเนี่ยก็เรีกรกเยกว่าผิดหรือถูกม เ, เรื่องในตัวของพระพุทธเจ้าของนิครนเนก็เป็นเรื่องของท่านไปแต่คนอวดเนี่ยผิดทั้งคู่ใครอวด สิ่งต่ํำก็แสดงว่าคนนั้นดุลพินิจปูมัญญาน้อยกว่าถึงเห็นผิดเป็นชอบและยังเอามาอวดพรูพเจ้าถึงเปรียบมันตัวกลังสละกะอวดกองขี้กันขอโทษนะตัวกินอุจจาะในเวทเวชกุฎีแล้วก็เอามาอวดกันนะโอ้ฉันไปเจอเนี่ยเวทโอ้โอโกินเท่าไหร่ก็หมดพรุ่งนี้ฉันก็มีกินอีกไอตัวอื่นไม่มีอะไรเงี้ยน่ะผู้เจ้าก็เปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับคนบางคนนะอ่ะอวดกันได้เรื่องวัตถุกรรม ตรงนี้ถ้านไม่ได้มีเจตนาจ ะ, จะว่าใครจ ะ, จะตีค่ากิเลสให้ฟังตอนนี้มาดูอาธิกดว่าเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบรรลุมีทุกสมัยแล้วก็ท่านก็บอกววาแล้วมีกระคนมีศีล น, นี่เข้าใจผิดนะไม่ใช่รู้อยู่แล้วก็แกล้งหลอกไอ้อยางงั้นไม่ใช่ เขาไม่ได้อวดจริงๆหรอกเขารู้อยู่ว่าไม่ได้บรรลุแต่ต้องการจะหลอกคนเขาไม่ได้ชอบเรื่องมรรคเรื่องผลอะไถูกไหมเพราะนนความขนาจนดจริงๆกาไม่มีไอ้ที่จะมาอวดมาอะไรไม่ใช่อวดเป็นแต่เพียงใช้เป็นอุบายหลอกคนให้เชื่อหลอกโลกลวงโลก่เป็ น, นเรื่องแต่พวกอวดนี่คือหนึ่ ง, นนงเป็นคนที่อยู่ในมีศีลมีธรรมชอบศีลชอบธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนแล้วไปเข้าใจผิด ก็เอามาอดหรือนึกเป็นอธิมานะถ้าขั้นสูงเลยก็คืออรหันต์ที่ผมคัดเป็นข้อย่อมาจากพระไตรปิฎกคนพยากรณอรหันต์เนี่ยแล้วจะเห็นว่ามีอยู่ข้อหนึ่งคือข้อสี่พยากรณด้วยอธิมานะใครคำว่าอธิมาเนนะโดยอธิมานะพยากรณ์โดยอธิมานะอธิมานะ เ อ, อนาะปัจใจเข้าไปแปลว่าโดยหนึ่ง <1. S 1> เพราะเขาเพราะหลงของปราถนาลามอายากรด้วยความปราถนาลามหมายมายถึงว่าเอาอาริยคุณมาโอ้อวดเพื่อที่จะให้คนเลื่อมใสผู้อื่นเลื่อมใสแล้วจะได้ลาบส ก, การละชื่อเสียงความก็รบนับถือสามเป็นบ้าจิตฟุง้งซ่าน สพวกเนี้ผมยังรักพวกสามมากกว่าไอพวกสองนี่ยมันหลอกมุสาโดยเรื่องสูงข้อสารที่่าเป็นบ้าเนี่ยคิดฟุ้งซ่านเป็นบ้าแล้วก็นึกอธิบายไอเป็นบ้าคือเป็นบ้าไปเลยเพราะคนบ้าเนี่ยมันมีบ้าหลายวงการใช่ไหมฮะบ้านในวงการไหนมันก็ไฟค่าเกี่ยวเรื่องนะ ว่าบงเอาบงเนอบ้าอยู่ในวงการดาราวงการยิเกแล้วก็เคยเห็นนะไอ้บ้าล้านยิเกวงการยิเกวงการหอระศพบ้าวงการนักปฏิบัติมันก็มีไอ้ขอบรานลบข้อโอมก็เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินี่ไปเล่นอัหันเลยนะไม่ใช่ธรรมดาฟุงซ่านเนี่ยคือคิดฟุงซ่านไม่ถึงกับบ้า แล้วอธิบายมีอะไรลึกลับเข้ามาบีบความคิดมาทำให้คิดเห็นเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้พอบางทีมันก็มีสิ่งลึกลับเข้ามาใส่ข้อมูลโดนใจให้เห็นผิดเป็นชอบอะเรื่องนี้น่าศึกษาแต่มันเป็นเรื่องที่ฟังยากสาหรับคนยุคใหม่แต่ท่านพูดไว้เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านด้วยสาเหตุต่างๆแต่สาเหตุหนึ่งก็คือจากสิ่งลึกลับมาทาให้เห็นผิดเป็นชอบอะ เลยพวกนี้ก็เลยตกเป็นเหยื่อของพวกนั้นแล้วก็สําคัญว่าได้บรรลุนี่คือเข้าใจผิดแล้วก็เอาความเข้าใจผิดนั้นมาอวดด้วยความเข้าใจผิดห้าพยากรณ์ถูกต้องนั้นคำว่าพยากรณ์อย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยผู้ออกไปปฏิบัติธรรมแล้วจะเข้ามากราบภูมิรละพุตรเจา้ามาพยากรณ์ว่าได้บรรลุผมจะเล่าตัวอย่างประกอบซะสองเรื่อง เรื่องหนึ่งเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ า, าเรื่องนี้มีหลักฐานอยู่ในพระอัศกถาธรรมบทนะฮะที่ท่านเล่าไว้ในตรขถาธรรมบทที่เล่าไว้นี้เป็นเรื่องที่ที่ร้อยกว่ า, าถ้าใครจะไปอ่านเอาเองก็เรื่องที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดธรรมบทภาคสี่ พระธาตอ่านง่ายๆก็พระธาตุบิดกฉบวะวัดบวรพักสี่มีธรมมบทเล่มสีส่สร็สามนี่อวดได้ปะเนี่ยอ้างตัวเลขยิบเนี่ยอวดไหมอวดไม่อวดแล้วก็รู้แต <c oughs> นี่บังเอิญเรื่องนี้นะ่ะเราเคยเล่าเล่าเปลยๆกันวันนี้จะเล่าให้มันฟังเป็นหลักฐานเลยทําให้มันรู้สึกมีอะไรเป็นจริงเป็นจังขึ้นหน่อยนะเดี๋ยวเล่าแล้วท่านก็ร้องอ๋อเรื่องนี้เคยเล่าแล้วอันจริงก็ใน ในการรรยายเที่ยวนี้แหละคือเรื่องนี้เล่าว่ามีภิกษุกลุ่มหนึ่งใช้คำว่าห้าร้อยได้มาขอกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะหลีกเล้นไปอยู่ในที่สงัดพระผู้มีพราได้ทรงให้กรรมฐานพระเหล่านี้ก็เข้าไปป่าแยกกันปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วพระเหล่านี้ได้ฌานสมาบัติ แล้วก็เกิดเข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะกิเลสถูกข่มหมดเมื่อสําคัญแล้วตัวเองได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็มีธรรมเนียมอันหนึ่งว่าจะต้องมากราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบอันนี้เป็นธรรมเนียมนะสมัยก่อนก็ออกมาจากป่าพระผู้มีพระภาคในทรงรู้เนี่ยก็เรียกพราอนนว่าภิกษุห้าร้อยภิกษุพวกเนี่ยท่านเลยเรียกว่า อาทิมานิกะภิกษุพิกสุผู้มีความสําคัญว่าบรรลุคุณวีซ่านนบอกว่ามีพระคือกลุ่มนั้นจะมาการงานความจําเป็นที่จะมาหาเราเนี่ยไม่มีอันนี้เป็นทํานวลบอกว่าอย่างนี้ทัศน ว, ว่าไม่มีเหตุที่จะมาพยากรเรื่องนั้นกับเราท่านรู้ท่านก็ให้พระนนท์ไปสกัด ก็ไปทันกันที่ซุ้มประตูวัดพอดีพระเจตะวันแล้วก็สั่งพระานนท์ว่าพอไปทันแล้วเนี่ยขอให้บอกให้ไปพรมนักที่ป่าช้าผีดิบพระานนท์ก็ไปบอกพระพวกนั้นแ้วก็ดีนะเขไม่เถียงคือท่านเชื่ออย่างหนึ่งว่าผูเมียรภาคเนี่ยทรงมีเหตุที่จะบอกให้ไปไหนมาไหนตอนนี้พระพวกนั้นไม่รู้ก็ไปที่ป่าช้าผีดิบก็ไปอยู่ในที่นั้น ในประชาพี่ดิบมันกผีดิบดบดิบมากๆอ่ะรีบมาจากขั่วผีสดศพสดผู้หญิงบางผู้ชายบางเด็กบางแล้วก็ผีสุขผีงอมผีเรืองกระดูกแล้วนะก็เรี่ยงลายทั่วไปสมัยก่อนก็ทิ้งกันคือไม่มีระบบระเบียบอะไรนะพระผู้นี้ก็ไปพอไปแล้วเนี่ยศพที่น่าอุจจารท่านเห็นแล้วท่านก็เกิดความรู้สึก พรมันนัดปฏิฆาขึ้นตามธรมธรมดานะไม่ชอบแล้วมันมีไอความรู้สึกขุ่นใจแฝงเข้ามาศพที่ตายใหม่ๆโดยเฉพาะศพที่เป็นเพศตรงข้ามเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกกำหนัดขึ้นเเรื่องนี้นะอย่าเห็นเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าคนที่อยู่ในบรรยากาศนี้เวลามาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นของรุนแรงนะแม้แต่ศพที่เป็นศพใหม่ๆก็ตามเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกกำหนัดแฝงขึ้น พระผู้มียภาคทรงรอจังหวะนี้ก็ทรงเสด็จมาโดยอิทาพิสังขารแล้วก็ตรัสว่าการที่เธอจะมาหาเราและเข้ามาอยู่ที่นี่มาเห็นศพและเกิดความยินดียินไล่เนี่ยสมควรหรือหมายบอกเป็นในๆว่าอารหันเนี่ยเห็นศพแล้วเกิดความมีดียินไล่เนี่ยสมควรแก่ความเป็นอรหันหรือพระองค์นั้นก็ ออาทิมานะรู้ทันทีเลยว่าตัวเองเข้าใจผิดสำคัญว่าฌานเป็นอรหัตมรรคอรหัตผลพระผู้มีพระภาคเลยทรงเทศเทศใช้จนกระทั่งพระเหล่านั้นบรรลุเป็นพระอาหันต์ในป่าช้าผีดิบนั่นเองก็เรียกว่าปฏิบัติเองไม่ได้บรรลุบรรลุเมื่อมาได้ฟังพวกนี้เป็นพวก เขาเรียกวาในายะบุคคลคือไม่ใช่พวกอุคติตันยูอุคติตันยูนะฟังปั๊บบรรลุปุ๊บนี่ไปพยายามเองก่อนแล้วมาคลุกคลีอะไรนิดหน่อยจึงบรรลุนี่เรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในลังกายุคก่อนพศ .900 อัตถกาถาเล่าไว้ชื่อว่าท่านมหานาคท่านโชคดีครับท่านมีลูกศิษย์ชื่อว่าธรรมตินธรรมตินาเถระ ลูกสิทธ์เป็นพระอรหันต์อาจารย์เก่งปริยัตลูกสิทธ์ก็เก่งปริยัตเหมือนกันแต่เป็นอรหันต์อาจารย์ได้แค่ฌานแล้วก็สําคัญว่าตัวเองเป็นพระอรหันลูกสิทธ์อยู่อีกวัดหนึ่งบริหารสิทธิ์ของตัวเองอยู่ที่หนึ่งอาจารย์ก็อยู่ที่หนึ่งไปเรียกว่าลุกสิทธ์คนนี้ปีก้าขแข็งแล้วเรียนมาตั้งแต่เป็นปุถุชนแล้วก็ปฏิบัติจนเป็นอรหันต์แล้วก็เปิดสอนสาธารณสิทธิ์สืบต่อไป วันหนึ่งขณะที่นั่งอยู่ในที่พักกลางวันก็ปลานรกถึงอาจารย์เนื่งองจากท่านเป็นอาหารหันและมีปฏิดัพิธายานนึกว่าอาจารย์ของเราบัดนี้คุณธรรมถึงขั้นไหนแล้วก็ได้เห็นว่าอาจารย์เข้าใจผิดว่าตัวเองได้ฌานได้ปัญญาณนะเป็นอาหารหันแล้วก็จึงไปหาอาจารย์ถึงที่วัดพอไปหาอาจารย์ปับ๊บอาจารย์นั่งอยู่ก็เข้าไปหาตามธรรมเนียมสิทธนะกราบไหว้ น, นี่ก็เป็นตัวอย่างยืนยันว่า ละอรหันต์ไหว้บุตุชนไหว้กันได้เหตุผลในแง่ของวินัยอาจารย์ก็ถามว่านี่ไม่ใช่เวลาเข้าพบทําไมถึงมาผิดเวลาไปอ้อมไปอ้อมมาเสร็จแล้วก็ถามว่าอาจารย์ผมมีข้อข้องใจด้วยเรื่องธรรมะปัจจุบันพันดูก็ให้อาจารย์ต่ออาจารย์ตอบอข้ออื่นๆที่รองพื้นไว้ก่อนนะชัดเจนหมดด้วยปัญญาโคมก้า เสร็จแล้วก็วกมาถึงเรื่องถามถึงเรื่องอภินยาแล้วก็ขอบทพิสูจน์ว่าอาจารย์อภิญญาของอาจารย์ยังคงเดิมดีอยู่หรือก็บอกว่าใช่เดี๋ยวนี้เราเชี่ยวชาญมากลูกสิษย์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนรมิตช่างพลายที่มีงามีลักษณะที่น่าสะพึงกลัว ลักษณะงามอ่ะและทําอาการอย่างงงอย่างนี้จนกระทั่งส่งเสียงแปลแปลนโคนจะนาตื่ประหีเข้ามาหาอาจารย์อาจารย์ตกใจอตกใจกับสิ่งที่ตัวเองเนรมิตขึ้นลูกศิษย์ก็เลยได้ช่องบอกว่าอาจารย์เป็นอรหันตะกีณาศพและธรรมดาอารหันตะกีณาศพไม่กลัวไม่ใช่หรืออาจารย์ก็เลยนึกได้นี่คือคนที่รู้หลักการนั้นต้วงง่ายถ้าไม่รู้หลักการก็ใครบอกแก ก็อย่างนี้ไม่รู้หลักการทรงกระได้ยกเลยเลยห ล, ลงจากอาสนะประคองอัญชลีขอขึ้นกรรมาฐานกับลูกศิษย์ว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมด้วยท่านมาที่นี่เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ผมแท้ๆนี่คนไม่มีมานะเนี่ยทําได้อย่างนี้ได้อย่างสนิทลูกศิษย์ก็เลยให้กรรมาฐานยังไม่ทันจะกลับเลยครับในนั้นบอกว่าอาจารย์เนี่ยขึ้นไปเดินบนที่จงกลมยกสามเก้านั่นแหละ เป็นพระอาหารหันต์เลยเราอย่งก็เรื่องโก <c oughs> คืออันนี้แสดงให้เห็นว่าอาธิมานณะนี่มาขวางไว้ถ้าปลดตรงนี้ออกได้หลุดอาจารย์ก็เลยหลุดก็มไม่ได้เล่าว่ายกจังหวะไหนก้าวไหนได้เป็นโสดตขึ้นมาจนกระทั่งถึงเป็นพระอาหันก็เป็นอาหารหันต์แล้วกันสมัยก่อนเขามีที่จงกลมทําเป็นที่เป็นทางไว้แล้วมีคนถวายที่จงกลมแล้วก็มีไม่มีก็มี ทำก็เป็นอย่างเป็นทางการนี้แต่ในนั้นไม่ได้บอกว่าเดินจังหวะไหนบ้างนะเอาล่ะครับนี่ก็เป็นอันว่าผมจบเรื่องนี้เพียงเท่านี้ก็มีปัญหานิดนึงว่าพระโปรดทีละเนี่ยทรงพระ เ, เรียกว่าทรงธรรมวีนไนสมัยพุทธกาล ไม่บรรลุพระอาหารหันต์เพราะอะไรกีดขวางให้เลือกนะแล้วไปตอบเองนะหนึ่งอธิมานะหรือเปล่าสองเมาบริยัติหรือเปล่าหรือเมาบริยัติหรือสามประมาทไปคิดเองคิดไม่ออกก็ <c oughs> คิดวันหลังต่อ <c oughs> เพราะอะไรที่มาลุกสิมาบรรลุนิ่มบรรลุเพราะพระพุทธเจา้าทรงสัจิต แต่สาเหตุอะไรเป็นตัวกิจกว่าอาจารย์ก ข, ขอถามอามจารย์นิสาก็ได้นะอาจารย์นิสากำลังจะถามอาจารย์สุเทศเลยอาจารย์บอกว่าถ้าผพือยอมรับอนัตตาแล้วจะยอมรับอนิจังในทุกขังนะคะแล้วก็เ อ, ออย่างที่บรรยายมาแล้วก็ใน อ, อยานสิบหกนี่ยานแรกก็เป็นนามาลูปา ป, ปริเฉยทียานคือเห็นอนัตตาเห็นว่าไม่ใช่รูปไม่ใช่นามฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสรุปได้ไหมคะว่า เพื่อใจลักเนี่ยฉั้นแรกต้องเห็นอนัตตาอนัตตาขั้นหนึ่งะนะอนัตตานะถ้าไปเห็นในขั้นเห็นอ น, นิจจังตัวมันเป็นอีขั้ น, นอะไรตอนนี้เป็นอนัตตาขั้นต้นขั้นต้นเท่านั้นแล้วผมจะชี้จุดเทียบให้ดูภายหลังว่าไอ้ต้นกระลึกมันต่างกันตรงไหนถ้าฉะนนั้นจะโยงใยกันยังไงฮะกับที่มีกล่าวไว้ว่า ถ้าเบื่อคนที่ทำบุญหนักมาได้ด้านของศีล น, นะค ะ, คะจะเห็นอนิจจังทามาในด้านสมาธิจะเห็นทุกขงังแล้วก็ถ้าเบื่อเจริญแก克拉กามาทางปัญญาะจะเห็นอนัตตาอันนี้นะพูดได้ทั้งสองขั้นในขั้นต้นเนี่ยหมายถึงความรู้สึกกระเทือนใจตั้งแต่ก่อนปฏิบัติประจำตัวว่ารู้สึกกลัวทุกข์หน่ายทุกกระเทือนใจกับสิ่งที่ไม่ทุกข์ หรือก็ความไม่เที่ยงหรือก็ความไม่ใช่ตัวตนบังคับอะไรไม่ได้เราเนี่ยเรามีเชื่อกรเตือนอยู่งี้ทีนี้ไอ้เวลามาเห็นเนี่ยในการเข้าไปถึงอ น, นิจจังทุกขังอนาตาชั้นต้นเนี่ยต้องมีไอ้อาเรียกว่าอนัตตานชั้นต้นแม้ในขั้นปริยัตเนี่ยเวลาแสดงหลักที่จะเอาไปปฏิบัติต้องแสดงอนัตตาเป็นวิปัสนาภูมิและเช่นวิปัสนาภูมิมันก็ไม่ใช่อื่นไกลหรือความเป็นตัวเป็นตนในทางปริยัติ คือไ อ, ไอตัวนี้นะมันเป็นที่เกาะไอแรงบรรดานใจขั้นต้นเนี่ยก็ต้องบรรดานใจเพื่อเห็นอนัตตาตัวนี้นะฮะแล้วก็ไปปฏิบัติวิปสนาก็เห็นอนัตตาชั้นเบื้องต้นพอไปถึงขั้นวิปสนาญาณแท้วิปสนาญาณแทนจะเป็นที่หมายจากปณิสัยเบื้องต้นจะมาสร้างแรงสะเทือนใจและแเล็งดูไปที่พระตรัยลักขั้นละเอียดความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไอ้พอตอนนี้ไม่ถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายแต่ว่าไอ้หลักตรงนี้ต้องต้องทุกคนนะขั้นปริยัตก็ต้องอนัตตาขั้นปฏิบัติเบื้องต้นต้องอนัตตาไอ้แรงกระเทือนใจก็เป็นตัวบรรดาลให้เข้ามาแล้วอนัตตาไอ้ผ่านตรงนี้ไปก็ไปดูนามรูปด้วยความรู้สึกกระเทือนใจทางมุมไหนอีกทีหนึ่งเออปัญหาที่ต่อจากนี้นะคะครับคือในข้อที่แปดย้อหน้าที่สองที่ออว่า ดูก่อนภิกษุจากสุโสมนมานะขานะชิวหากายะมโนเป็นของไม่เที่ยง <c oughs> สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาใจหรือสนิทใจเกี่ยวกับลอจิกอันนี้เลยเพราะร<ม>ว่าผมผมเห็นใจนะฮะแล้วก็ความจริงนะผมก็ตั้งใจไว้ว่าพอมาตอนนี้เราพูดถึงเรื่องยานมันมีไอ้เกร็ดรายละเอียดอื่นๆ แม้แต่เรื่องอนัตตาเนี่ยถ้าในทางปฏิบัติแล้ต้องพูดกันใหม่นะแม้ที่จะพูดถึงก็ยังไม่พูดเป็นเชิงรายละเอียดว่าอนัตตาเนี่ยมันคืออะไรอธิบายกันอยู่ตรงไหนผมเชื่อว่าแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังพออธิบายได้บางแต่ไม่ชัดทราบซึ่งนะเดี๋ยวจะพูดมาเหมือนอย่างผมรู้ก็จะน่าเกลียดก็ขอถอนคำพูดและถอนมานะด้วยคือพอดี ผมแล้วขนาดนี้ผมก็ยังเห็นไอ้ไอ้ช่องทางเห็นอะไรแต่ไรเพราะว่าไอ้ความละเอียดเนี่ยมันมันมีทั้งค่อยๆเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้จงใจจะไปสืบสอบแล้วก็เห็นว่าความหมายความเป็นไปได้เนี่ยมันมีอยู่ถ้าเราจะดูกันเอาละเอียดเป็นหลักฐานมาก็สามารถที่จะดูได้ทันทีเพราะนั้นจึงต้องรอว่าวันหนึ่งเราจะพูดเรื่องอนัตตานุ ป, ปัสสนานะฮะ ว่าอนัตตาในอธิบายกันยังไงในสารพัดแง่มุมทีนี้นไอ้ไอหลักเวลามาเทศเวลาทําความเข้าใจแก่คนเนี่ยไปถึงก็เวียงโครมว่าอนัตตาสําหรับคนอย่างเนี้ยอย่างอาธรรมจักรกับปตนสูตรเวียงโครมว่าอนัตตาว่าอนัตต า, จ บ, จ, บาจบมันก็จบ嘛เป็นยาวคีก็จบเหมือนกันแต่ไม่ได้จบพระอาจารย์จบจบอย่างเก่า จบกันไม่รู้เรื่องเพราะนั้นไอสิ่งที่อธิบายอนัตตาเนี่ยอธิบายด้วยอะไรขึ้นมาว่า <What? S 1> ชี้เป็นประโยชน์แก่อนัตตาอันนี้จังเป็นประโยชน์แก่อนัตตาทุกครั้งเป็นประโยชน์แก่อนัตตาแล้วก็ความที่อนัตตาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหตุปัจจัยเป็นประโยชน์แกอนัตตาจึงมีทางอธิบายออกมาเป็นสองสายนี้แต่ว่า รูปแบบมีเป็นหลายอย่างหลายประการแตท่ที่ทรงใช้มากกับนักบวชเนี่ยคือทรงใช้อนิจังทุกอ้อนิจังทุกขังหน้าตาซึ่งคำพูดต่างๆอย่างตรงนี้ก็ที่นี่บางแห่งก็อาจจะคัดมาแล้วด้วยกระดาว่าถามบางทีใช้วิธีถามมาสิ่งใดเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือวางที่พูอย่ที่เธอจะถือเอาโดยความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราพูดหลายแบบจึงถ้ายังมืดอยู่ก็มืดไปบัปงๆก่อนนะมืดไปบางๆก่อนออที่มืดนะนะ ม, ดมืดมืดมุมนี้ค่ะ ม, มุมมุมตักกะนะฮะออที่ที่จะโยงไปถึง ตรงที่ว่าสัพเพธรรมะอนัตตาจิตเนี่ยนะคะเพราะว่าในนี้ใช้ตักกะหรือลอดจิกว่าเพราะไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์จึงเป็นอนัตตาแต่พอถึงพระนิพพานเนี่ยพระนิพพานเที่ยงแล้วก็เป็นสุขคือตรงนี้แต่ร พ, พระนิพพานเป็นอนัตตาทรงแสดงในขอบเขตของนามรูปนะฮะตรงขอบเขตของนามรูปคือแสดงวิปัสนาภาูมิที่เวน้นนิพพานเอาไว้แล้วก็เว้นมรรคขยาน มักแปดเอาไว้ในฐานะที่เป็นของไม่ใช่เป็นเป็นวิปัสนาภูมิที่ใช้ปฏิบัติจริงๆแต่พอไปถึงที่หมายรวมทุกอย่างแล้วก็จะทรงตีกลุ่มหมดว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาธาตุาทั้งปวงไม่ใช่คาว่าธาตุก็ได้ก็หมายถึงอนัตตารวมไปถึงนิพพานด้วย อ้อนั้นสักการอันนี้ใช้ใ น, ข, นขอบเขตขอบเขตอัน น, นี้ขอบเขตกันกันน้าคุณบอกว่าอนัตตาที่เป็นพาหะอนัตตาเป็นที่ถึงคือนิพพานอนัตตาเป็นพาหะอนัตตาที่เป็นคนภายคนถึงคื อ, อวิปัสสนาหรือมรรคนะนะตั้งโลกเกียมรรคโลกระะัลมรรคเป็นผู้ถึง<น>แล้วก็นามรูปเนี่ยเป็นพาหะอนัตตานิพพานเป็นที่ถึงทุกอย่างสุญญาตาหมด ทั้งคนถึงทั้งเรือแล้วก็ทั้งที่ถึงขอยุติทั้งนี้นะครับขอกลาบขอพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ก็สรุปแล้วนะคะว่าให้มืดไปพลางๆก่อนนะค ะ, ะเวลาก็ล่วงเลยมามากแล้วก็ขอขอข อ, ข อ, เ, อ, อเชิญจวนพวกเราได้กล่าวขาถากวดน้ำเลยนะคะแล้วก็แผ่เมตตาร่วมกัน